นะคำว่าหาบน้ำนี่ไม่รู้จักกันแล้วนะหาบน้ำไฟก็มีใชนะ้ตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนก็ยังได้ยิ่งอาหารด้วยแล้่นี่ก็มากมายนะแล้วก็เป็นอาหารที่ประณีตนะอันนี้เป็นความสะดวกสบายที่คนรุ่นเรานะได้รับซึงมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมาก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 เป็นผ้าผู้น้อยบางทีก็ต้องเดินเอาคล้ายๆเป็นการจาริกทุดดงเอาใช้เวลา น, านานเป็นเดือนพอไปถึงว่าสถานที่ที่เขาบอกเนี่ยหลวงปู่มั่นอยู่ตรงนี้ไปถึงท่านจาริกไปที่อื่นแล้วถกว่าจะตามพบหลวงปู่มั่นได้ก็ใช้เวลานะใช้เวลาก็ไปพบท่านที่สกลนครโอ้ดีใจมากเลยได้เจอครูบาอาจารย์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 อันนี้มันมันแสดงว่ า, อ, าอ่อนแอนะแล้วก็ไม่จริงจังนะทงที่การทำวัดโซนมนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรเลยนะเพียงแต่ใช้ความตั้งใจเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะไม่เหมืออการนะไปทุดดงหรือว่าแม้แต่การปฏิบัติธรรมเดินจองกรมสร้างจังหวะนะอันนั้นยัง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 ก็ก็พอใจกับการปฏิบัติพอใจกับสมาธิที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขเป็นความสงบมากนะจนกระทั้งท่านหลงเข้าใจว่านั่นคือนิพพานนะถ้าเราว่าทำติดในสมาธิถึงห้าปีเลยนะติดในสมาธิห้าปนะีทั้นั้นท่านก็ชอบจ่าลิกไปตามป่าตามเขาไปอยู่ถ้าก็ยิ่งเจอที่ทสงบสงัดนะ สมาธินี้ก็ยิ่งแน่วแน่มันคงพอกลับไปไปกลับไปไปหาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านก็เห็นสังเกตอาการนะวันหนึ่งท่านก็เลยไปถามาพระมหาบัวนะตอนที้เป็นหนุ่มอยู่นะอายุแค่สามสิบว่าท่านมหาเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหมสงบดีหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าสงบดีครับสบายดีครับหลวงปู่มั่นก็ถามอีกนะว่าเป็นยังไงตอนนี้สงบดีไหมท่านก็ตอบว่าสงบดีครับพอได้อย่างนี้หลวงปู่ม่านก็พูดท้วงอย่างแรงเลยนะว่าท่านจะนอนตายอย่างนี้หรือนะไอสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับ หมูขึ้นเคียงเนี่ยรู้หรือเปล่านะห่ท่านพูดแรงมากนะสมาธิเนี่ยมันก็หมูขึ้นเคียงมันไม่ได้มันลื้อถอนกิเลสได้ที่ไหนนะที่ท่านทําเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อสมาธิเมสัมมาสมาธินะกะท็ท้งอย่างแรงเนี่ยว่าระบอบเนี่ยสมาธิของท่านเนี่ยมันมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งเ น, นี่ยท่านไม่รู้หรือตอนนั้น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 แต่พอเอาหินออกนืกยามก็งอกใหม่ให้การเพลินในสมาธินี่ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัติธรรมที่นี่เราไม่ได้ในเรื่องการทำสมาธิประเภทหลับตานะแต่ว่าไอ้ความสงบเพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิก็ เ, เกิดขึ้นได้นะ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 แต่ถ้าเกว่าเราเพลินนะกับสุขในสมาธิแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสมาธิอ่อนๆไม่ถึงกับสมาธิระดับชาญนะมันก็สามารถทาให้เร า, าหลงติดนะแล้วก็เนิ่นชาได้บางทีก็พอใจท่านั้นแหละนะพอใจสงบแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะไม่คิดที่จะพิจารณารูปน้าไม่คิดที่จะพิจารณากายใจ